หรือกิเลสที่ดองสันดานหนึ่งร้อยสี่สิบสี่พระอรหันตเจริญอานาปนาสติทำไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีสิ่งควรทำอันได้ทำเสร็จแล้วมีภาระอันวางแล้ว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 โพชงเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาคือความรู้และวิมุตความหลุดพ้นให้บริบูรณ์หนึ่ง้สี่ิบหปฏิบัติได้แค่ไหนอะไรสงบระงับดูก่อนภิกษุความสงบระงับหกประการเหล่านี้คือหนึ่ง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 อากาศานันจายตนะสัญญาความกำหนดหมายในอาการสาันจายตนะของผู้เข้าสู่วิญญาณญจายตนะย่อมดับเจวิญญาณญจายตนะสัญญาความกำหนดหมายในวิญญาณนจายตนะของผู้เข้าสู่อากินจัญญายตนะย่อมดับแปดอากินจัญญายตนะสัญญาความกำหนดหมาย ในอากิญจญญายตนะของผู้เข้าสู่แนวะ่าสัญญานาสัญญายตนะย่อมดับเก้าสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความกำหนดหมายและเวทนาความสวยอารมณ์ของผู้เข้าสู่สัญญาเวทอิตนิโรทย่อมดับ10ราคะความกำหนัดยินดีหรือความติดใจโทสะ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 ยอมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษองห์าคือ 1. มีรูปหมายถึงรูปงาม 2. มีทรัพย์ 3. มีศีล 4. ขยันไม่เกียจคร้าน 5. มีบุตรกับบุรุษนั้นสตรีผู้ประกอบด้วยองห้าเหล่านี้แหลย่อมเป็นที่พอใจโดยส่วนเดียวของบุรุษ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 กำลังหของสตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังห้าของมาตุคามหรือสตรีเหล่านี้คือ1กําลังคือรูป2กําลังคือทรัพย์3กําลังคือญาติ4กําลังคือบุตร 5. กําลังคือศีลนี้แหละคือกําลังห้าของสตรี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสตรีประกอบด้วยกําลังห้าเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้องค์อาจครองเรือนย่อมข่มสามีครองเรือนย่อมครอบงําสามีครองเรือน155บุรุษประกอบด้วยอะไรจึงครอบงําสตรีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยกําลังข้อเดียว ก็ครอบงามสตรีได้กำลังข้อเดียวคืออ it ิสริยภะละกำลังคือความเป็นใหญ่สตรีที่ถูกกำลังคือความเป็นใหญ่ครอบงามแล้วกำลังคือรูปก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือทรัพ์ก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือญาติก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือบุตรก็ต้านทานไม่ได้กำลังคือศีล